พระธรรมเตสนาจาดกเรื่องนาคเขาคำภูติเก้าเรียบเรียงโดยอินสมชัยชมพูปรเปลียนตามฮกเปรยคนักธรรมเอกอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงหายอะโมตตสภาการโตอาราโตสมาสัมพุทธา โซนาคาภากวาเนวสิตรานาคาราจจาริโยอะโหสิติสทโวดุราสาปุริตาตั้งลายตัง้ง ย, ยิ่งใจใหญ่น้อยใจใฝ่ห้อยตั้งบุญเหื่อตัหนุนบกฮัต กานิ่งขวาดอาจินรักซาสินคำเจ้าแล้วดังเฝ้าฟังทรมีนานำวนมวนหมู่จุงท่าอยู่ดาฟังนี่ใหญ่ยังไปแจ้งพระจริงแสงเตสานาวโสนากภวเนวสิตาดังนี้เป็นตน้น เีก้าเวดูราพีคกตั้งหลายอันเป็นสายอริยญาตาิเจือนักพาธรงยานอันว่าเหมาะกุมารหนุมเน่าอยู่กับเจ้านากราจาในพังกาพาศาสาบ่ไม่มาดมองพานบ่อปอดานแต่ใส่เจ้าดอไทยบุญเรื่องก็ขี่เรื่องก็รอดถึงเจ้ายอดตรี ว่ากูได้ดีผ่าข้างบ่ได้อ้างไครจาออกศาลาหายกว่าเตี้ยวเข้าป่าหายหน่นความกังวลบ่้ น, บนยเตียงจ้องห้อยหัวใจเือจีไพรบนใหญ่กึศใจไฟคนดิ่งกองกวนกูปองปอกเตาไปตีเก่าอาซรมเจ้าอูดมกึดได้กอน้อมว้ทุนสา ให้ขี้ยาบอกเล่าเื่ฟัญาหนักเจ้าตามมีเจ้าปุรีหนักใหญ่กอดเจ้าไว้ไข่คำเบ่าเจ้าบุญนำนอลาให้บอกว่านี่ไก่ตามคำไหนปังก่อนหากจักซนนำตังเราจักวางป่งปล่อยเฮอเจ้าหน่อยไปดีของคุณมีหลายแหล่ เราขอแพ่วางตั้มคือว่าเขาคำนี้ใส่เตจะใหญ่เหลือหลายเอาตั้งไปขีดต้องบนแผ่นห้องปฐวี <c oughs> จกเป็นนาทีแม่ใหญ่เกิดล้อมไข่เรียวปั้นเอาเก้ามันขีดซ้ำวังแม่น้ำสูญหาย เป็นดินทรายฝนยาดังก่อนนาเดิมออนแม่นอผู้ทอนนาดโอยเอาไม่ต่อยเขาขำนาคนาลำน้อยใหญ่จะเกิดได้ตันตาเป็นโยธากาต่อตาสัตรูขอบุญจูหนอไทยรับเอาไว้นำไปกันเจ้าห่อใจนากระดาษเก่าเสียงขาดสุดกำ ก็ถอดเข่าคำวิเศษคือเจ้าน้อยเนตรบุญมีนอมูนีหน่อซอยใจจืงจ้อยเจยบานย่อมือสานใส่เก้าไวหนักเจ้ า, าราชารับเอามาเบียดไว้เพื่อวังใจปายลุนก็มีหันแลยนะ อาตาในกาลนั้นอันวานอปุทิยานตนองอาจก็อภิวาททุนศาซึ่งนากราจาแถมเราวาขคาแดเจ้าปุรีข้าจักนีปิกบอกบอกหูออกตั้งได้ข้อจุงไขบอกกาวหือหูดาวตั้งไปเรียงไวไปรอตีเจ้ายอดฤๅสี เจ้าปุรีนาการเจ้าภาษาถอใจก็เรียกเสนาในแกวแนใจมาตีไก่เร็วปันแล้วไข่ปันบอกกล่าวว่าจุงนำหน่เตาวบุญนาเรียบไก่กาจากห้องไปพอต้องดงรีแล้วรีบหนีปิกปอกไอหน้านออกมาไวเสนาหนแกวนใจก็นอมวบวันตา ยังนากราจายอดยาวแล้วปาหนอเต้าบุญนำลงห่อคำภาษาดยกยหา่บาทไก้กาจากปาราไปนอกรอดข้างขอกเพียงใจมันก็ใครบอกกาวเฮหนอเต้าบุญนารับสองตาไววมันมันจักดันป่าไฟบ่อนานเต่าใดมันบอกว่าข้าขอปอกขึ้นเมือง ขอบุญเรื่องดอลาจุงจักกว่าเดียวได้เจ้าบุญภายดอไทยอดบ่ได้มืนตาก่อหันซาลาตีเก่าแห่งตันเจ้าราศีหน้าคายดีผากนาบ่กว่าแดนไดดอจอมไถ่จืนยาวรีบฟังเฝ้าไปพันย่อมือพันต่างเก่าไว้ส่งเจ้าราศี ไตามีเก่าเหือตันหูโจภาการเจ้าท่ารงยานบุญใหญ่หันเจ้าหนอไทยขึ้นมาสมมนัตสาจืนจ้อยไข่เก่าถอยนานาก็มีหันและนะ ต่อปัทฐานยาแรกแต่นั่นไปไปนาบ่อนเดินจ้าหึงนั้นนอโปที่าณ้นดมเดาอยู่กับเจ้าระสีกลางดงรีป่าไม้ก่คอคืดไขคันิงหา ยังพระพิตาที่ราดและแม่น้อยนาติวีว่าสองสิริพ่อแม่ยังอยู่แก่เด่นใดเจ้าสินใสตีไว้ใครบอกไว้เดิมอ่อนว่าสองผู้ทนตั้งกู่ยังข้างอยู่เป็นคนอยู่ต่างหนต่างดาวคงเกต้าแดนไก่กวรจักไปเสาะขอฮือหันต่อสายตา นอพุทธบุญใหญ่กอน้่อมใบ ร, ราสีไขวัตีบอกเล่าคือตันเจ้าจูภาการเจ้าถ้ารงย า, านตันต่อซึ่งเจ้านอบุญมีวาดูราสายปุรีน้อยนาดเจ้ากุดขวาดคันิงกองจักเตี้ยวปองซอสอดหาสองยอดบุนนาคือสองขาพ่อแม่อันปัดแต่เดิมอ่อน ตกนากรต่างห้องผาเตต้องแดนไก่เราได้ไข่แต่เกา้าวะสองเต้าเจ้าบุญภายยังบ่อตายเมียนจาากัมมาปาตัวตันเออได้พันผาคางไปอยู่ห่างไกลตาบัดนีนาะวิบากดาเสียงหากสุดงูนมีแต่บุญมารอดแม่นเจ้าหยอดใส่ใจ เอ่เตี้ยวไปส่อ้อยเตียงจวบใดดังใจดูระดอจอมไต้เหยบุญมาการอุปถากรุมราเลี้ยงรักษาพ่อแม่นักผ่าแต่โบราณย่อมสาตทุการจืนสูสว่าลูกอยู่ตามธรรมบุญนาลำบ่โนยย่อมจองหอยตัยมา แม่นสองขาปอแม่ตกอยู่แก่แดนใดลูกตัวไป ส, อส่อใสอยู่ตีไกอาสาทุกเวลาคำเจ้าอุปถาคาเ้าแตนกุณบุญจักหนุนสองอยเอได้อยู่ใจบ้านสุขสำราญมันเที่ยงบอ่อบิดเบี้ยงไก่กามีตีขายดเงาอาจภาพดาวจุมปู ดูราสายบุญจูเหยนอต้าฟังเราเก่าไขคำมีเงินคำหมื่นตือจกไปซื้อยิงรามักคานางามจืนจ้อยมาเป็นโู่หอยเตรียมคิงย่อมสมขาดิ้งไฟอ้างบ่อวิทฟังเสียในการจากไปซ่อซื้อด้วยคำหมื่นตือสั่งคาญญาเอานิ่งมาเหมือนแม่จากได้แต่ได้จ้า ใจเด่นไก่แลกไก่มีบ่อไรนํานาใจได้ใจนั้นเล่าจักเหมือนพ่อเจ้าเตรียมคิงจุ้งใจนิ่งน้อยใหญ่มีบ่อไรเหลือหลายนิ่งขัวตายแม่ห้างสาวเขินข้างเบิ่งนานนิ่งดังยานเท่าแก่มีจูแง่อานาหนิ่งได้ใจนั้นใสจักเหมือนแม่ไดเตรียมตน เกิดเป็นคนหนึ่งจอดยาได้ขาดการบุญคือกำนมุนพ่อแม่หากแม่นแต่ตามทําเจ้าบุญนำนอลาจักออกป่าเมืองเมืองสะหาบุญเรื่องพ่อเจ้าและแม่ดอเนาเตวีเรายินดีป้องปล่อยให้เจ้าหน่อยใกล้กาเราจักจะาบอกกาวให้หูดาวตั้งไป เพือสมใจไฟอ้างบอ่อวิตวังเสียสูญจักเลยนะโอนณติวเสในวันลุนและรุงสายฟ้าพุง่งเรื่องไรหนอจอมไตยยศใหญ่ก่อซอไซนมัมมะ ยังบุพพาลายแลวางย้ายแผ่เนื้อคันนำไปปั้นบ่อจาวางต่อหน้าราสีอันจุลีนบขาบทวนสามขาบตามธรรมยกขันตั้เข้าไกเก็นเจ้าตีไว้ทารงยานแล้วไข่ขานตันเหล่าว่าคาเด่เจ้าเจียงจีกุนตันมีมากกว้างบอกอาจอ้างสังขยา ตันคุณนาะบอกกา่าหูตัวดาวสิปักุนเตี่ยมกำมลุนข้าน้อยอันอ่อนอ้ อ, อยเด็กขาดังบุตตาโนเนืเออ้อใจไฟเ อ, อื้อแปงปันข้าได้ผันมารอดเขายังจอดสาละหึงเมือนมาแต่ใสเบนข้าได้กระทากาญักากายาบวะจีบาบจังไร มาโดนไอหมุนเ้าขอตันเจ้าเจียงชี้แปลงใจดีภายพดงดเวนตดหวังตั้มอย่าเป็นกรรมบาปรายตัวตอบายต่อจนข้าขอห่อนกะพากออกไปจากดงไพรเปื่อจากไปสะสอดหายังยอดปิตา ตั้งบานดาแม่ไทยหื้อหายมาดไม่คนิ่งในเจ้าสิ้นใสบุญใหญ่ฟังเจ้าหน่อไทยใครจะยนินคุณนะหลายแลจริงกาวแก่กำงามว่ดดุมมราจะให้รำเหยหนุ่มนาวตั้งแต่เจ้าบุญมีลงดงรีเถื่อนทองมาอยู่ห้องศาลาหึงเบื่นมาบ่อนอยกำเจ้าถอยสามาน จักมาปานเอาไมเราบ่ได้เคยหันเจ้าจมขันนอลาจุงจักกว่าไปดีฮือได้มีโจกใหญ่สมใจไฟมโนนายรอดเพียงใจใหญ่กว้างเฮือได้เป็นเจ้าจ้างภาปทาวีแล้วราสีผู้เท่าก่สอนเจ้านานาก่อมีฮันแลยนะ ธามทังประกาศเสนตัวศรัทธาศรัทธาสัพพัญญูยอดซอยหันบาทถอยบาลีบทหลังมีไปแจ้งพระจริงแสงเทศสานาวะโสอิสิตังอนุสาสิตาดังนี้เป็นต้นพิงข้าเวดุราพิงคุส่งตนทารงสินใสบ่เศร้า หลัสิทธิ์เก้าพระมุนีส่วนว่าเจ้าระสีบุญใหญ่จบแจงไขาทารงยานหันกุ ม, มารหน่อนาวอันเป็นหนอเจ้าบุญนาจักไขกาจากของไปสู่ต้องเพียงใจจริงจกักไขสอนกก่าวหื้อดาวกองทำบาดูระเจ้าองค์คำหนอลา แม่นปายนาวันลุนได้เป็นคนนั่งแต่นเป็นลักเก่นแก่เมืองอย่าได้เครื่องโคดรหมย่ยาถอยไรพลาลา <c oughs> ยาตันหาเหมื่อเศร้ายาได้เข้าต่างดำจักใส่ตันดะกกัมไผยใต้ฮือกิดไข่ตามกองอย่าทรีปองการบาเพื่อรีบหาตัางบุญ โอวจากุนพ่อแม่กุนเท่าแก่ตาหนายมีใจพายแผ่กว้างย่าดิตมั่งปเวดณีคนบอดีอย่าได้ไกลคนถอยไรปลาลายาเอามาเวดเป่าจักป่าศซวเสียสีย่าราวีไผยไตฮือร้อนไหมมองผ่านมันหือตานยกยืนแปลงใจจืนโมตนา มันรักษากดแขวะสินห้าแปดเจียงจินทุกวันสินอย่าขาดยาผาหมาตละาากรรมบิม้าแต่เก้านักผาเจ้าจะสอนว่าพระผู้ทนยศใหญ่ใครหือไพ่ยิงใจเสนาหลายมวลหมูใดสุขอยู่เจยบ้านบ่มบีมันมาต้องสุขตัวห้องปุรี ถูกไม่มีหลายแลเขานําแพเต็มเมืองคนนั้นเนืองจืนเย้าจุงเต้าหอคําใส่ไต่ตามทำหาเส้นอย่าได้เว้นไก่กาเือศักดิเมตตาสอนพระเจ้าไพ่ไต้หัวกันให้หน้าส่วนคงได้กุ้งเติมแทงบ่อเฮงบกบัง บ่อตุ่มว่างไพราษมันเกิดขวาดปิดจารณาสอนพระจ้าไพไต้ฮือหูไข่กิจการปุริสเมธามีใจหานอง์อาจตัดอามาดเสนอันปาลาถอยไร่บ่อเอาไว้แตนตนเลือกเอาคนผูกแก่นหูแจ้งแม่นจกทอง ใจบ่ปองการบาปบ่ก้หยาบตารุนเอามาลุนอยู่กล้จูช่วยใจติ่นมือคนจักหรือเก่าวอ้างว่าเจ้าจ้างบุญนาสั ม, มาปาสานันใจเฮือไผ่ไตยิ่งใจหูก้าขายขึ้นหล่อฮือแม่นจ้องกองทมคือขายเงินคำเสอผพาตั้งเครื่อน ง, ง่าอลังการ โอเจนะหน้าหานเขานำมีความพัานํานาเที่ยวไปมารอดาวถึงเขียต้าวแดนไก่ขอทัดไปนั้นเล่านักผัดเจ้ า, าสอนจ่า ว, ว่าว่าจ่าไปยาบอกไว้เฮอเตา้าไทยหอดใจจ่ากำได้อ่อนอ้อยฟังจิ่จ้อยวอนหูคำมึงกูอย่าเกาว ยาโคทาวไขจาายามุสากาหยาบจาายาแจ้งดาสาบานทาโบราณทวนหาหน่อเจ้าฟ้าดาฟังนี่รักกาลังแถมเหล่าเฮอเต้าเจ้าหอใจกำจัดภัยใหญ่น้อยคือจนถอยสามานยาหือปานมาต้องในแห่งห้องปุรี มันโจรมีกาหยาบจุงคำราบดับหายเอยิ่งใจไภ่ไต้หายหมนไม่มองผ่านทำหาภากานี้เล่าเป็นของเก่าเดิม อ, อ่อนขอนอุู้อนยศใหญ่จำใสไว้มโนในปฏิบัติไปคำเจ้าจักเตียงเต้าสดสดีตาสะทรมีแต่กอ่อนอยากผ่อนเสียตน อย่าถอยหนุนก็ภาคีลาจากกองทำบุญจากน้ำหนองนาหื้อหยดยาวแยวนานเจ้าท่ารงญานบุญกว้างสอนหนอเจ้าจ้างหลายอันแลออกป้าเจ้าจอมขวันมากออกไปจากศาลายกเมื่อขวักสุดศอกจีแจ้งบอกตั้งไปว่าดูราจอมไต้เหยินหนอลา เจ้าจุงกว่าเตียวไปลัดดองไผ่ป่าไม้เอาห่นไตเป็นไม้ ย, ยาพันภายต้องพายแวะแว่สายและขว้าแม่นดอยพาความกันจุงก่อยดันก็พันหินพาจันห่มห้วยเหี่ยวลิงช่วยนมนาจุงอดสาดัานกว่าเอาสื่อนาเป็นไป จากสมใจไฟห้อยบอกรัดก้อยไก่กาตาปาสาผู้เทาลูกพลังเจ้าลายตีเก่ากำดีปั่นโจกเหือตกโศกสูญหายเจ้าบุญภัยหนอไทยก็ดน้อมไบไหลายหุนใจเวว้นบ่เหือร้อนไม่เดือดเดือใจย่อนอะไรบ่แล้ว ยังเจ้าตนแกวระสีนอมุนีบุนใหญ่เนร้องให้ก็เนีิไปก็มีหันและนาที่นี่จากวันนานาจากล่าถึงตันเต้าสมตตันรชาและอกาศญายอนี่จ้อยงามจินจ้อยพัตตาวดี วิบากมีมาขวายตันมัดใสแป้ไห ล, ล่องวังใสแม่กวางดามวยมั่งมารน า, าคุณอินตาอยู่ฝาเลงพ่อนาจุมปูลงมาจูจ่วยกำเฮือปอนน้ำกงกาดังเกาวมาดวงแลวพระตนแก้วทารงยานหันอติตาดิธานไปแจ้ง จิงจักแสงเตสานาวาเตวิสุงปารังปัสตาดังนี้เป็นตนพิกขะเวดุราภิกุตั้งหลายอันเป็นสายอริยจ่าเจือนักภาทธรงยานส่วนว่าเต้าผู้บ้านสมมติตราดและนางน้อยนาจาญาตกกองกานนำกวางดามวยมงดับพันคุณสวัรค์บุญใหญ่ มีใจไฟคุณ น, นาสาเดเดมาจวยกำหือปนน้ำสากรไปจอดดอนหิมฝังน้ำบอ่อตั้งป้าไหลห่างกันไกลแต่เล่าตามกำเก่าไพมันเจ้าหอจันสมมาตราตกอยู่หาดดอนท้ายปนตั้งตายมวยหมดคานิงสอดไปมาปิดจารานาขึ้นหล่องบอ่อแจ้งส่องเหมือนฝัน พอบอ่อหันลูกน้อยและนั่งยอดซอยเอตวีความเครื่องขีลายแลเกิดขึ้นแพ่ไปในพอตั้งได้ก่อแล้วบ่อหันลูกแก้วสายตา และอากาศจาัญาานาทไทเต้ากุดไข่นาหน้าวาราจาจญญาหยดซอยและลูกน้อยใจเดียวตกกลางเปี้ยวแม่กว้างหลวดมวยมั่งเมื่อมอนหรือสองผู้ทอนน้อยนาดเขาถึงหาดดอนอยปนตั้งตายตั้งกูบัดนี้อยู่แดนใดเจ้าหอใจสมมตตราชการนิ่งขวาตามธรรม ว่าแม่นป่าปกรรำเสียงแล้วสองดอกแก้วบุญนาบอมอรนะนาวยมายัางอยู่ข้างเป็นคนบุญเตียงดนสรงอยูฮือได้อยู่จอมกัน เจ้าจันยศใหญ่ตกเอาไม่นำนาก่อไก่ไกาง่ายบาทนี้จากขาดดอนายแล้วพันภัยเข้าป่าเอาสือนาเป็นไปก็มีหันเลนาสะปะ้าดาพตาวตีส่วนนางพัตาวดีน้อยนาตกอยู่หาดดอนายถึงยามงางแดดส่อง อันตัวต้องปฐวีนางเตวีปิกพื้นสะดุ้งตื่นมืนตาหูคิงมาเตือน้่อยนางยอดจอยขะนิ่งใดว่าเป็นสันได้ดังอีแต่ก่อนกี่วันว่า จุมเสนาบาไบามัดกู้ใสแป้่ไหลกับจอมใจลูกเต้าและเต้าเจ้าผัวควันน้ำพัดพันปันกว้างลวดผ้าค้างหายห่นลมแลกฝนสนซ้ำย้ำมืดค่ำจนตา สันไดจากูนี่มาข้างตีดอนซ้ายเต้าบุญภายตีไวและลูกแก่นไทยใส่ใจหายไปในตั้งกูยังข้างอยู่เป็นคนหรือหายห่นมวยมังก mm hmm. างแม่กวางสากรนางอาววร้อนไม่แลพ่อไข่ไปมาบ่าหันสายตาลูกเต้ากับตั้งเจ้าขวกควันใจเป็นควันบูรอน ตุกทังขอนทองทมนางอุดมยดเงาวนีจากดาวดอนซ้ายเพื่อคงควายสอสอดหายังยอดสามิกาและบุตรตาลูกลาใจปันบาเมาวนเข้าไพรสนเถื่อนทองให้รำร้องเตี่ยวไปก็มีหันและนา ตาตาเอกเนสาโตในากาละนันไซยังมีผ่านใหญ่ใจหานอยู่สถ า, านแห่งห้องพักแต่ต้องจำปาปังกะติมาแต่ก่อนย่อมแอวบอลดงตันหลยคืนวันจิงปอกอายน่าออกขึ้นหลังเอาเข้าหนังจินแห้งตกปุ่นแบ่งใครกินเป็นอานจิาจนใจ ตั้งแต่ไทยเมือนานวันนันผ่านปู่เทาก่อเตียวเขาดงไพรย้ยอนมีใจไฟเอือ้อไข่ได้เนือ้อกว่างทรายหัวเถื่อนลายเป็นหมูลาสอดอยู่ดงเขียวมันเคยเตี้ยวซอไซหูเสียงไข่ดงตันวันนันมันเตียวสอด บุญดันหลอดดงไพรถึงเดนไก่ลิ้วโหลดได้ไหลโยกธนานาตาวันดาคำละฝุ่งสั์ปาดงรีคือเสือมีแรดสูกับตังหมูกว้างทรายบ่อหันกายมาไก่ถั่วป่าไม่เย็นวอยถึงบนดอยก็แล้วมันขึ้นแอวภายพัน บ่ได้หันเรือเนตมาเข้าเขตกองตาฝูงสักกูน้าน้อยใหญ่ร่องกองไข่ั้งวันก็บ่หันกูทองดักไข่หงดงรีฝูงนางนี้บ่โนยเป่าเปืดอนหอยไ่ายเฟยแล้วเล่นเลยร่องเศร้ามีไข่ดาวไพรสนก็หายห่นเสียงขาดรานคืดขวาดสังกา ว่าสันได้เจาดังอีแต่ก่อนที่เดิมออนทั่วดงดอนป่าไม้สัดน้อยใหญ่มีลายตั้งเสือไลยคว้เถื่อนเดินละเลือนไปมาซาูกนารำร้องเสียงมีกองเดืองดันวอกล้างพันยอดไม้เต้นแล่นไล่ไปเฟืกว้างเขาเงยเป็นมู ลาสอดอยู่ป้อมฟอนคติ้งหานหาเท้ามีไข่ดาวดงไพรเป็นสันไดวันนี้สัตว์หลีกลีนยีหายบ่หมากไายสอดไก่ือกูได้เล่งยิงพรานคานิงขึ้นลองบ่แจ้งสองสังกาตาวันกาคำลาลงลับป่าดอยหลวง สัตวปั่นปวงมวนหมู่ลีซ่อนอยู่ไผมันบือตึบตันจุตีบ่อแจ้งท <itte> ีตั ip, ้งไปนายพรานไพอยู่หอดก่อนยังจอดเศร้านอนก้างดองดอนป่าเศร้ากันรุงเจ้าควายมาก่อไก่กาบ่อจ้าออกโซลากวางฟานก่อมีหันแหลน่า อาทาในกาละนั้นเหล่าพรานปู่เทาผมปอนพงเทียวจอนบุญดันตาและสั้นแด่นไกหูฟังไปทวนที่เสียงก้องมีมีมาเป็นเสียงจาจมให้ดังมาไกต้นขิงเป็นเสียงหญิงแต่เหล่าพรานปู่เทาสังกาว่าคนได้จามาให้ กลางป่าไม้ไพรสนไก่เบืองค้นเขตทองเป็นกลางต้องดงด้านบอใจพรานอง์อาจจบฉลาดมนยันจักไายพันดันสดพจนมารอดหรือมีเรือเป็นผีป่าไม้หรือยักษ์ใหญ่ดงเย็นทะาแหลงเป็นแต่งสร้างย้อนไฟอ้างกินกูจริงมาจุจุหลอกคือกูออกไปหา พรานดงนาผู้เท่าเสกมนเป่าหลายที่เสียงนารีร้องให้ดังมาไกลเรยวไวพรานมีใจไหววันสะต้านสั่นตั้งตัวมีหนังหัวเหยียดเย่า เปียฟังเฝ้าเร็วปันบุญเครื่อวันลี่ซ่อนอยู่ในบอนเพื่อนาใจเววาถ้าพอฮือแจ้งต่อตาตนว่าเป็นคนไตลาหรือยักษ์ป่าดุงรีก็มีวันนั้นแลยนะนี่ที่ตังขีญาสังวันนานาวิเศษจาห้องเหตุนาเขาคำผูกทวนเก่า เยี่ยวคนเท่าเจ็บหลังจริงนี่ที่ตั้งเตาอีเตานี่วาดวางลงก่อบังก้มสมริดเสร็จแล้วเตานี้ก่อนแลว